ทันไปอยคาไวจรทั้งหลายส <c oughs> มหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากานสมาฐานและกรรมฐานแล้ว <c oughs> ต่อ น, นี้ไปโรดรสนับการแนะนำในเรื่องการเจริญและกรรมฐานแต่ ว, ว่าการแนะนำกันในย่านนี้ก็จะถือบุคคลตัวอย่างเป็นสำคัญ เพราะว่าหลักวิชาสำคัญใหญ่ๆทั้งหมดท่านสนับกันมาแล้วเช่นมหาสติปัฏฐานสูตรและกรรมฐ า, านสี่สิบนิวรห้านิวาจริตหกแล้วก็ปรกิอกาศต่า ง, างๆก็พูดกันมาหมดเดยคืนพูดไปพูดมามันก็ไม่มีอะไรในการเจริญพระกรรมฐ า, าน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 เรื่องของกายทั้งหมดอย่าไปสนใจมันถ้าเราไปสนใจกับกายว่าต้องนั่งท่านัน้นต้องนอนท่า น, นี้ต้องยืนเดินท่า น, นั้นต้องยืนท่า น, นี้ก็เสร็จอย่างนั้นเขาเรียกกันว่าฝึกกายการบรรลุมากผลการทรงฌานสมาบัติเขาไม่เดากายไปบรรลุเขาไม่เดา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 เป็นอันวา่าเราจะบรรลุมรรคบรรลุผลก็ดีจะทรงฌานโลกีก็ดีจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิก็ดีหรือว่าจะเป็นคนระยำบำเพรญแบบไรก็ดีมันอยู่ที่ใจตัวเดียว <c oughs> ถ้าใจของเราพ้นจากสภาวะเป็นท่าของกิเลส เมื่อเราสามารถชนะกิเลสได้เราก็เป็นพระอรหันต์เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระิชิตมานสอนเราในสอนให้รู้จักคุณค่าในการใช้กำลังใจตามที่ท่านทราบมาแล้วในบารมีสิบ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 เป็นอันว่าบารมีสิบท้าไปจำใจคขามันดาท่านพุทธบริษัทแต่หลายท่านตายอยู่เป็นปกติ <c oughs> ท่านผู้นั้นก็ถือว่าเข้าถึงที่สุดแห่งหลักสูตรในพระพุทธศาสนาวันนี้ก็มาดังนั่งฟังเรื่องพระตัวอย่างพระตัวอย่างนี้ท่านก็ให้นามว่าพิสูุนห้าร้อยรูป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 ว่าอะไรอะไรมันมากสักหน่อยก็ยกห้าร้อยขึ้นเป็นที่ตังาะอะไรเพราะว่าสมัยนั่งเขานับโกด์นับแสนกันคขนับโกด์เขาไม่ได้นับล้านนับแสนทรัพย์สินบุคคลที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้ต้องมีทรัพย์นัแต่แปดสิบโกด์ขึ้นไปถ้าตำก็แปดสิบโกด์มาถึงสี่สิบโกด์เขาเรียกกันว่าอนุเศรษฐี ต่ำลงมากว่านั้นเขาเรียกว่าก็หาบดีทีนี้นคำว่าห้าร้อยจริงเป็นของเล็กอย่างนางวิสาขาเหมาบาศิกาเติบอกว่าเมื่อเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็หาหญิงที่เป็นบริวารให้ห้าร้อยความจริงห้าร้อยนี่เห็นจยเป็นห้าร้อยดีไม่ใช่ห้าร้อยเลว ที่เราด่ากันว่าห้าร้อยห้าร้อยจมันเป็นเพศห้าร้อยเลวฟังเรื่องราวของท่านต่อไปตามพระมบาลีกล่าวว่ามาองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาทร <c oughs> งเสน่ห์ประทับยับยาวงสำรานิตยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร สมเด็จพระิชิตามานทรงปรลรบพิสุประมาณห้าร้อยูปให้เป็นเหตุสมเด็จพระบรมโรคกรเชเจ้าเนี้สทรงตัดพระธรรมเทศนาว่าวัดสิกาวิยะปุถานิเป็นตนเรื่องนี้สั้นนิดเดียว <c oughs> ตามรัมบาลีที่พระนนด้ทรงกล่าว ว่าดังได้สดับมาแล้วคำนี้นะเป็นความฉลา่ยของพระอนุนท่านยกตนว่าเรื่องนี้ท่านไม่ได้รู้เองท่านได้ฟังมาจากองค์สมเด็จพระวิทีแก้วส่วนแสดงจำไว้ด้วยนะครับเจริยาของพระอนุนนี่จำท่านไว้ท่านจะไม่ยอมกล่าวว่าธรรมะเรื่องนี้ท่านรู้มาแล้ว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 สมณะแปลว่าสงบสมณะแปลว่าลอยแล้วซึ่งบาปทำบาปให้มันพ้นไปจากใจบาปก็คือความชั่วได้แก่กิเลส <c oughs> ในตอนหนึ่งท่านกำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานกันอยู่คำว่าเจริญพระกรรมฐานเราได้โปรดทราบว่าไม่ใช่นั่งหลับตากันเสมอ กรรมาฐานหลับตาก็ได้ลืมตายก็ได้เพราะว่าเราสามารถจะคุมกําลังใจให้อยู่ในขอบเขตในคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเกตทรงตัดว่าใช้อารมณ์แบบนี้กิเลสจะพินาศไปฉะนั้นเวลาที่เราจะเริญกรรมาฐานตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตร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 อารมณเงียบสงัดเสียงเงียบสงัดเราก็เฉยเสียงจอกแจกจอแจวอยวายเราก็เฉยลงเฉยซะหมดมันก็หมดเรื่องกันนี่การเจริญพระกรรมฐานน่ะถ้าเราจะเหะเข้าป่าเข้าดงอันนี้ผมไม่ได้ว่าพระที่จะเข้าป่านะ่ะความจริงผมก็เข้าป่ามาแล้วตั้งสิบปีแต่ว่าไม่เต็มสิบ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 เพราะว่าเราเป็นทหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งกองทัพขึ้นเรียกว่ากองทัพธรรมห้าหันกับกิเลสตัดให้มันเป็นสมุทรเฉิทหารมันพังท่าไรก็พังไปถ้ามันไม่พังเราก็พังเอนี่มันจะไม่จบทีเรื่องเนี้ยหน้ากระดาษเดียวจะไม่จบซะแล้ว เป็นอันว่าเวลาที่ท่านเข้าไปเจริญสมาธธรรมในป่าเห็นดอกมะลิที่มีกลีบบานแต่แล้วเป็นในกลีบบานตั้งแต่เวลาเช้าตรูเ่เฮท่านว่ายังไงของท่านเห็นดอกมะลิที่บานแล้วตั้งแต่เช้าตรู่ หลุดออกจากขวรในเวลาเย็นหมายความตอนเช้าเห็นดอกมะลิบานสวยสงา่าขาวสะอาดมองแล้วชื่นตาชื่นใจแต่ว่าพอเวลาเย็นให้เจ้าดอกมะลิดอกนั้นมันจะเริ่มแก่มาตั้งแต่เช้านะแก่มาทีละนิดลนิดละนิดละนพอตกเย็นมันก็ง่อม มงอมแล้วมันก็หล่นจากขั้วในเวลาตอนเย็นท่านจึงพากันพยายามคิดเอาดอกมะลิเป็นครูแต่ความจริงนี่พระที่ท่านจเจริญสมณธรรมที่จะได้ดีกันจริงๆถ้าเกาะตำราเกาะครูบายจา์อยู่เสมอไม่มีทางได้ดี ถ้าจะได้ดีกันจริงๆก็ต้องใช้ปัญญาของตัวเองเป็นสำคัญเอาดอกมะลิเป็นครูที่ค่าเนี้ยิงพยายามในหวังว่าพวกเราจะต้องหลุดพ้นจากกิเลสมีราคะเป็นต้นก่อนกว่าดอกไม้ทั้งหลายที่จะพึงหลุดออกจากขั้วนั่นน่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 ตามพระบาลีทึงกล่าวว่าในเวลานั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมานบริมสาสันดาสมมาสมุทธเจ้าทรงตรวจดูพิสุเหล่านั้นเห็นแล้วองค์สมเด็จพระบาทีพแก้วจึงได้มีพระพุทธติการัดว่าฟิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลาย <c oughs> ธรรมดาว่าพิสษุ เพ่งพยายามเพื่อหลุดพ้นจากวัตทุให้ได้ดูดจะดอกไม้ที่หลุดจากโขดฉันนั้นแล้วก็ทรงระทับพันอยู่ที่นั่งและคอยคันในกุดีนั่นเองทรงเพลงฉับพันรังศีรัศมียอบประการไปเฉพาะหน้าบรรดาพิสุทันหลายเหล่านั้น ก็มีภาพเหมือนกับองค์สมเด็จพระพักวันประทับอยู่ที่หน้าพระทั้งหลายไม่ใช่บนหน้านะข้ามหน้าและองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธดีกาแต่เป ว, ว่าพิฆเวดูก่อนพิสุตต์ไลพวกเธอจงปลดเปรื่องราคะและโทสะเสียเหมือนดอกมะลิเคลือบล่อย ดอกท่างหลายที่เหี่ยวและหล่นลงไปฉะนั้นนี่เป็นพุทธบาสิทิองค์สมเด็จพระวิชิตมานสรงตรัสแตางกล่าวว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระท่้นหลายทั้งหมดประมาณห้าร้อยรูปก็ได้สเดาเร็จานหัตตผลแล้วดังนี้นี่ความจริงฟังอยู่แล้วสมัยนั้นท่านฟังเทศไม่มาก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 ท่านเห็นดอกมะลิแล้วดอกมะลิเป็นครูตอนนี้ก็จึงต้องถือว่าท่านมีบารมีมะลิเต็มนี่ไหม <c oughs> นี่ดีไม่ดีจะบอกว่าผมไม่ดัดแปลงคําสั่งคําสอนขององค์สมเด็จพระจินนวรเสียอย่าหาว่าดัดก็ดัดอย่าหาว่าแต่งก็แต่งอย่าหาว่าแปลงว่าแปลงอย่าหาว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยน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 ห้ามหั่นมันให้พีนาฏไปในเมื่อเวลาใกล้จะเย็นแลอก่อนเย็นนี่แดงกล่า ว, ว่าท่านทั้งหลายจงทำลายโทราคระโทสะไม่ยักบอกว่าโมหะนะนี่ไม่ดีที่นักปราปรชญปัจจุบันจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเทศขาดไปซะแล้ว องค์สมเด็จพระประทิตแก้วเทศแต่เพียงว่า้พระตัดราคะกับทรสาสมเดชะแล้วพระทั้งหลายเหล่านั้นทำตามก็สมเร็จอาห า, าตะผะนี่ถ้าบรรดาท่านสาธุชนติดตำรายเกินไปก็จะกล่าวคำคัดค้านองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาว่าตรัดน้อยเทศไม่ครบทน แต่ความจริงพวกเราฟังกันมามากแล้วที่ผมเคยบอกว่าถ้าราคะหรือว่าโลภะมันสิ้นไปโทสะพยาบาทมันทิ้นสิ้นไปโมหะมันจะอยู่ได้ที่ไหนโมหะไม่ต้องเป็ น, ปนทำไป็ทำลายเพราะเหยื่อเพร่อพื้นฐานของมันไม่มีมันไม่รู้จะยืนอยู่ที่ไหนมันก็พังตายไปเอง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 ราคาถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราจะตัดเ้ื่ออะไรถ้าเรามีกำลังใจจริงไม่ต้องตัดมากก็นั่งดูตัวเราสิว่าไอ้ตัวเรานี่มันสะอาดหรือสกปรกเราไม่ต้องไปดูตับไตไส้พุงดูผิวหนังข้างนอกที่มันสกปรก น, กนี่แหละ <c oughs> ว่ามันสะอาดและสปรกถ้าสะอาด จ, จริงๆแล้วก็ไปอาบน้ำทำไมชำระร่างกายทำไมาการชำระร่างกายแสดงว่าเราทำลายของสกปรกใช่ไหมในเมื่อเราตั้งใจทำลายของสกปรกก็กแสดงว่าร่างกายของเรามันสปกปรก ถ้าร่างกายของเราสกปรกผ้าของเราที่ว่าสวยที่สุดดีที่สุดสะอาดที่สุดเราเคยต้องซักต้องชาระร้างความสกปรกของผ้าบ้าหรือเปล่าถ้าผ้ามันสะอาด จ, จริงๆมันดีจริงๆซื้อมาแล้วตั้งแต่นุ่งไปใช้ไปทึ้งวันขาดไม่ต้องซักน้ำ แต่นี่ถ้าไม่ชำระมันไม่กี่วันมันก็ทนไม่ไหวเพราะเหงื่อใครของเราก็ไมาจับนี่ความสกปรกภายนอกมันมีเพียงนี้ถ้าภายในที่เป็นต้นสายการสกปรกมันจะสกปรกเพียงไหนและก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่ามีอะไรบ้างที่มาสะอาด ที่มันมีแล้วไม่ต้องชําระไม่ต้องล้างไม่ต้องปัดไม่ต้องสีไม่ต้องขัดต้องสีมันจะมีแต่ความสวยสดสดงามตลอดการตลอดสมัยเพชรนินจินดาทั้งหลายที่ว่าสวยสดงดงามเน่ะไม่ชําระไม่ล้างไม่ทําความสะอาดม่ยับฟองใสเสมอไปหรือเปล่าเอาคิดกันตรงนี้นะรี่สมมติว่าหญิงจะรักชายชายจะรักหญิง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 ไม่เห็นยากไม่มีอะไรยากสักอย่างแต่เราเป็นคนจริงสักอย่างจะมีอะไรยากไอ้ที่มันยากเรามันไม่จริงไม่ชอบโกโหกตัวเองมาถึงด้านความโกรธความเพยาบ่ายก็เหมือนกันจะไปนั่งโกรธนั่งพยาบ่ายเขาทำไมนาทิโลเกานินทิโต คนที่เกิดมาในโลกที่ไม่ถูกนินทาว่าร้ายไม่มีก็โลกนี้มันมีธรรมโดยจำอยู่แปดอย่างขึ้นหนึ่งได้หลบับสองเสื่อมหลับแล้วก็สามได้ยศสี่เสื่อมยศห้าได้สุขหกได้ทุกเจ็ดได้นินทาแปดได้สรรเสริญ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 เอาเราไปบ่นไปว่าแดดเราก็อย่ากลายเป็นคนบ้าไม่ใช่คนดีข้อ น, นี้มีประมาณชั้นใดเมื่อโลกกระทำทั้งแปดราการมันมีประจําใจของคนทั้งโลกเราจะนั่งหลบมันทําไมเอาใจเข้าไปสู้กับมันคําว่าสู้หมายความว่าไม่ยอมรับนับถือไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของมัน ลาบจะเกิดก็เชิญเกิดลาบจะเสื่อมก็เชิญเสื่อมยศถาบรรดาศักดิ์เขาให้ก็เอาเขาเอากลับไปก็ช่างเขาใครอยากจะนินทาก็เชิญใครอยากจะสุนเสญก็ช่างไม่หนักหกหนักใจความทุกข์ความลำบากร่างกายและจิตใจมันจะเกิดมาก็ตามที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 นี่ความจริงเราก็พูดกันมากผมไม่เห็นมีอะไรพูดมาพูดไปมันก็ลงไอราคาโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะตัดได้แล้วก็ยกเลิกกันมันก็จบกิจที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัตตะอารับรรดาท่านะโยคาวาจรทั้งหลายมองดูเวลามันจะเลยไปหน่อยแล้วนี่ก็วันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอท่านประโยคาวาจรทุกท่านที่ตั้งใจเพื่อจะทำดีจงรักษาความดีนิไวเหมือนเกลือรักษาความเค็มจงทำกำลังใจของท่านให้ชนะกินเลสให้เป็นสมุติเฉดต่ประหารเพราะมันเป็นของไม่ยากอารา บ, บรรดาสา<ม>วกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเวลาเลยแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อแต่นี้ไปขอท่านองหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัจฉริยะใสโดยที่ท่านอนหลายจะใช้อัจฉิยะบทนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัจฉริยะใสจนจะกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านเห็นสมควรสวัสดี